สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่สี่ร้อยสิบเจ็ดเรื่องวางใจพี่น้องครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับพระเยซูทรงห่วงเราแต่เราต้องไว้วางใจพระองค์ครับเราไว้วางใจในอะไรของพระองค์บ้างแน่นอนครับเราไว้วางใจเพราะเหตุที่ว่าพระองค์ทรงรักเราครับในเวลาเดีวยวกันเราไว้วางใจพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เราไว้วางใจพระองค์เพราะว่ามันจะเป็นพระพรที่เข้ามาในชีวิตของเราและเราจะกลายเป็นพระพรเป็นพรไปให้คนอื่นได้ด้วยนะครับหรือกันครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกลับไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับเราทั้งหลายเพื่อที่มีวันหนึ่งพระองค์จะทรงเสด็จมารับเราไปอยู่กับพระองค์พี่น้องครับการไว้วางใจเกิดขึ้นจากการที่เรา ไว้ใจคนหนึ่ ง, ค น, ค, นนงคนใดเพราะว่าไม่มีใครที่ในโลกนี้จะเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้นะครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนที่รักเราก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าความรักของพระเยซูนั้นเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่แม้ว่าเราจะไม่น่ารักลงก็ยังทรงรักอยู่และพี่น้องต้องทราบนะครับว่า พระเจ้านั้นรักเรามากกว่าเรารักตัวเองพระเจ้ารักเรานั้นมากกว่าใครก็ตามในโลกนี้ที่รักเราด้วยเหตุ น, นี้ทําให้เราจึงสามารถไว้วางใจพระองค์ได้และพระองค์นั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะไว้วางใจพระองค์สูงสุดแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามพี่น้องครับความห่วงใยของพระเยซูที่มีต่อสาวกและมาถึงพวกเราก็คือพรองค์เกรงว่า เมื่อเราไม่เห็นพระเยซูไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นพระบิดาเราจะเลิกไว้วางใจพระองค์และนี่คือความห่วงใยของพระเยซูพี่น้องครับ trust trust แปลว่าไว้วางใจครับเรา trust ในการทรงเป็นพระเจ้าของพระเยซูฉะนั้นเราจึงไว้วางใจพระเยซูได้เรา trust ในพระสัญญาของพระองค์ที่มี ต่อชีวิตของพวกเราดังนั้นเราจึงไว้วางใจพระองค์ได้เรา t r u s ์ในการเสด็จมาของพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับการไว้วางใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากเมื่อเรารเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งที่ทําให้เราเจ็บใจสิ่งที่ฮ่าเพิร์ดเรานะครับพี่น้องครับ ในชีวิตของเรานั้นมีผู้คนมากมายมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่มันเข้ามาทําร้ายจิตใจของเราที่ความเจ็บป่วยเข้ามาทําให้หัวใจของเราและระ่างกายของเรานั้นเสื่อมโทรมลงมีคําพูดบางคําพูดที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วทําให้หัวใจของเรานั้นเจ็บปวดหรือมีคนบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เสื่อมโทรมลง เพียงครับผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ความเป็นอย่างนี้ครับมีจฉาหาันหนุ่มคนหนึ่งเขาเพิ่งปลดประจําการมาจากสงครามเวียดนามแต่เมื่อเครื่องบินแตกพื้นแผ่นดินของประเทศสหรัฐเขารีบโทรกับบ้านแม่ที่เขารักที่สุดนั้นเป็นผู้มารับสาย เมื่อพูดคุยทักทายกันตื่นเต้นกันมากครับต่างก็ดีใจเมื่อได้ยินเสียงของกันและกันเมื่อพูดคุยถามไถ่ทักทายเสร็จลูกก็ได้พูดกับแม่ว่าแม่ครับผมกลับมาครั้งนี้ผมขอเอาเพื่อนผมคนนึงมาอยู่ด้วยได้ไหม<อ>เพื่อนผมคนนี้เขาพิการทาอะไรไม่ได้แล้วแม่ตอบด้วยความใจดีว่าได้เลยลูก แล้วเขาจะอยู่กี่วันล่ะลูกก็บอกกับแม่ว่าแม่ครับเพราะว่าเขาทำงานไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีขาขาเขาขาดไม่มีที่ไหนจะรับเขาทำงานมือของเขาก็หงิกครับเพราะว่าถูกไฟไหม้หน่าของเขาก็ถูกสะเก็ดระเบิดไฟลวกผมอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปหรือหรืออยู่ไปสักนานหน่อยได้ไหมครับ แม่ก็บอกขอเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปปรึกษากับพ่อแป๊บหนึ่งหลังจากปรึกษากับพ่อแล้วแม่ก็กลับมาพูดโทรศัพท์ต่อครับว่าคงไม่ได้แหลลูกรักคงไม่ได้เพราะเขานั้นจะทำให้ชีวิตดีๆของเราเปลี่ยนแปลงไปเราต้องมาดูแลเขาเราไม่พร้อมนะลูกมีองค์กรฐานผ่านศึกรับดูแลฐานพิการที่ไม่มีใครเอาและทาอะไรไม่ได้ น่าจะให้เขาไปอยู่ที่นั่นนะลูกเราอาจจะแวะไปเยี่ยมเขาผู้ที่เป็นลูกก็พยายามขอแม่บอกว่าขอเขาอยู่ด้วยไม่ได้หรือครับเขาเป็นคนสําคัญของผมจริงๆนะครับเขาคือชีวิตของผมนะครับเพราะเขาช่วยผมช่วยชีวิตผมไว้ร่วมเป็นร่วมตายกับผมช่วยผมบลาบลาบลายังไม่ทันพูดขาดคําครับแม่ก็รีบตัดบทว่าเอาเท่นานี้ก่อนนั้นลูก พ่อกับแม่ต้องไปงานเลี้ยงลูกรีบกลับมาเร็วนะอย่าเอาเพื่อนคนนี้มาด้วยล่ะยังไงเราก็รับเพื่อนลูกคนนี้ไม่ได้อย่าพามาเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ขอวางโทรศัพท์สองคนก็ขาดจากกันสี่ชั่วโมงต่อมาครับหลังจากที่พ่อแม่นึ้นกลับมาจากงานเลี้ยงก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ครอบครัวนี้ก็ สงสัยครับว่าเอ๊ะทาไมลูกเขายังกลับมาไม่ถึงบ้านครอบครัวนี้ได้รับโทรศัพท์ก่อนที่รับโทรศัพท์ก็รู้สึกสงสัยและคิดว่าลูกคงจะโทรมาอีกเมื่อได้รับโทรศัพท์ครั้งนี้เสียงโทรศัพท์โทรมาจากสถานีตํารวจตํารวจพูดกับสองพ่อแม่ว่าผมเสียใจที่แจ้งว่าเราพบศพทหารผ่านศึกพิการคนหนึ่งเขามาเช่า ตรงแรมเล็กๆและค่าตัวตายและฐานผ่านศึกคนนี้ระบุว่าเป็นลูกชายของคุณคุณอาจจะจำเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยถูกไฟลวกขาขาดมือของเขาก็พิกการใช้การไม่ได้ขอให้คุณช่วยมาระบุได้ไหมครับว่าเป็นลูกของคุณเขามีจดหมายถึงคุณทั้งสองด้วย คอยมาที่เกิดเหตุด่วนครับพี่นังครับเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องเล่าที่นักเทศได้เล่าให้ฟังขณะที่เทศนาอยู่สิ่งที่สำคัญที่มีสาระของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะพิการขนาดไหนก็ตามเราจะใช้ไม่ได้อย่างไรก็ตาม พระเจ้ารับเราทุกคนเพื่อที่จะให้เรากลับบ้านได้พี่น้องครับหากว่าเราไว้วางใจในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงจัดไว้ในข้อที่หกของยอห์นบทที่สิบสี่ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไป ท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์พระเยซูเป็นผู้ที่นําเราทั้งหลายซึ่งพิกลพิการจากความบาปกลับบ้านครับพี่น้องไม่ว่าเราจะพิกลพิการขนาดไหนเราสามารถเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์ไว้วางใจพระองค์พระองค์จะนําเรากลับบ้านเพราะว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็ น, นั้นมากเรากลับไป จัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วแล้วจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราทั้งหลายทุกคนให้เรามีความไว้วางใจในพระเยซูเมื่อเราลำบากเราเหน็ดเหนื่อยเราหิวกระหายเรารู้สึกว่าเราขาดปังสิ่งบางอย่างเมื่อเราเจ็บปวดเจ็บป่วยเจ็บใจ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราให้เราไว้วางใจในพระองค์ในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพระสตตอนที่สองนะครับซึ่งมีความหมายมากมายครอบคลุมอยู่ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน